การที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลกันมาทำบุญให้ทานกันนั้นเป็นการสร้างความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่มีความสำคัญ มากกว่าความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ถาวรความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวชั่วอายุไขของร่างกายเป็นอย่างมากและเป็นความสุขสั้น ที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆส่วนความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่ติดไปกับใจเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายความสุขที่อยู่กับใจก็จะอยู่กับใจไปเรื่อยๆความสุขที่ ติดกับร่างกายก็จะหายไปหมดเวลาที่ร่างกายตายไปความสุขของใจมีน้าหนักมากกว่าความสุขของร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่มีความสุข มีความทุกข์เช่นเวลาที่แก่เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ตายไปใจจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของร่างกายเพราะความสุขของใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของร่างกายนั่นเอง ความสุขของใจถ้าได้ปฏิบัติจนได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะเป็นความสุขระดับปรมังสุขขังบรมมะสุขเป็นความสุขของพระพุทธเจ้าเป็นความสุขของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเวลาที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกนั้นแก่ลงไป เส็บไข้ได้ป่วยและตายไปในที่สุดแต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอหลานตสาวกนี้ยังมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจที่มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของร่างกายที่ที่มีความสุขของใจ สามารถกบไว้หมดคุมไว้หมดทำให้ไม่รู้สึกทุกข์ไปกับความทุกข์ของร่างกายเลยนี่คือความสุขทางใจที่พวกเรามาให้ความสำคัญมาสร้างกันให้เกิดขึ้นมาเพราะจะเป็นที่พึ่งของเรา ได้ในยามที่เกิดความทุกข์ทางร่างกายในยามที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายไปต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปถ้าใจมีความสุขแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ แต่อย่างใดแต่ถ้าไม่มีความสุขใจเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ใจจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระเนตรอันยาวไกลมีพระปัญญาที่ฉลาดรอบคอบที่ทรง เห็นอนาคตของความสุขของทางร่างกายว่าจะต้องเสื่อมหมดไปตามวัยของร่างกายและการเสื่อมของความสุขของทางร่างกายก็เป็นการเจริญของความทุกข์ทางร่างกายร่างกายของพวกเราทุกคน จะมีความสุขน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมามากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าพวกเราไม่มีความสุขทางใจเลยเราจะไม่มีอะไรมาต่อต้านกับความทุกข์ของร่างกายได้เลยเราก็จะต้องรับความทุกข์ไป อย่างเดียวแต่ถ้าเราหมั่นมาสร้างความสุขทางใจกันเพิ่มความสุขทางใจของเราให้มีมากขึ้นเวลาที่ความสุขของทางร่างกายเสื่อมลงไปความทุกข์ของทางร่างกายมีเพิ่มขึ้นใจของเราจะได้มีความสุขทางใจ ไว้เป็นเครื่องมือต่อสู้หรือรองรับกับความทุกข์ของทางร่างกายถ้าความสุขของใจนั้นมีน้าหนักมากกว่าความทุกข์ของทางร่างกายความทุกข์ของทางร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจนี่คือความสำคัญของความสุข ใจที่เราควรจะให้ความสำคัญสร้างกันขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะไม่มีใครที่จะมาสร้างให้เราได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสร้างความสุขใจให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถที่จะมาสร้างความสุขทางใจนี้ได้สิ่งที่จะสร้างความสุขทางใจนี้ได้ก็คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงได้ปฏิบัติทำเหล่านี้มาแล้วแล้วนําเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายให้ได้รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจกันถ้าเราน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นไปตามลำดับจนปฏิบัติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ เราก็จะมีความสุขระดับเต็มร้อยเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจของเราจะไม่มีที่ให้ความทุกข์ของทางร่างกายนั้นเข้ามาแทรกเข้ามาอยู่ในใจของเราได้เลยใจของเราก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะมีร่างกายนี้หรือไม่มีไม่ว่า ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือจะสูญเสียพัพาดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปจะไม่เป็นปัญหากับใจที่มีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจเลยก็คือความสุขระดับปรลมมาสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี่เองและเป็นความสุขที่ จะอยู่ติดไปกับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจนี้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันดับความสุขที่อยู่กับใจก็จะอยู่ไปตลอดเช่นความสุขและใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอัลลันตสาวกทั้งหลายในขณะนี้ก็ยังมีอยู่ เหมือนกับในขณะที่ท่านมีร่างกายอยู่ในยุคที่ท่านอยู่กับพวกเราเช่นครูบาอาจารย์ใจของท่านก็มีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาเวลาที่ร่างกายของท่านตายไปใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่อยู่ของใจนี้เราเรียกว่าโลกทิพย์ที่อยู่ที่ ของใจของทุกทุกคนของสัตว์ทุกทุกตัวทุกทุกร่างทุกชนิดอยู่ในโลกที่ทั้งหมดต่างตรงที่ว่าอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์กันถ้าใจมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขก็เรียกว่าอยู่ในส่วนของอบาย ถ้าใจมีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็อยู่ในส่วนของสุขติหรือสวรรค์ถ้าใจอยู่มีความสุขรวนๆไม่มีความทุกข์เลยใจก็อยู่ที่พระนิพพานหรือเรียกว่าใจอยู่ในระดับพระนิพพานอยู่ในโลกที่เหมือนกันแต่อยู่ต่างระดับกัน ถ้าจะเปรียบเทียบก็ระดับของพระนิพพานนี้ก็เป็นเหมือนระดับที่สูงสุดถ้าเป็นตุกก็เป็นตุกเป็นตึกชั้นสูงสูงสุดรองลงมาก็เป็นชั้นของพระอริยะบุคคลเช่นพระอน า, าคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันท่านก็จะอยู่ชั้นต่ำรองลงมาท่านยังกําลังอยู่ในขั้น ของการพัฒนาของการก้าวขึ้นสู่สวรรค์หรือที่อยู่ที่สูงขึ้นไปต่อไปพระโ ส, สดาบันก็จะไต่เต้าขึ้นไปสู่ชั้นพระสกิดาคามีพระสกิดาคามีก็จะไต่เต้าขึ้นไปสู่ชั้นของพระอนาคามีพระอนาคามีก็จะไต่เต้าขึ้นไปสู่ชั้นของพระอรหันต ชั้นของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าไปสู่ชั้นพระนิพพานเป็นชั้นสูงสุดเป็นชั้นที่มีความสุขเต็มร้อยไม่มีความทุกข์เลยชั้นอื่นๆนี้ยังมีความทุกข์ผสมอยู่ชั้นพระ อ, อนาคามีก็ยังไม่เต็มร้อยความสุขยังไม่เต็มร้อยยังมีความทุกข์อยู่บางส่วนชั้นของพระสกิดาคามีก็ มีความสุขน้อยลงมากว่าของพระอนาคามีและมีความทุกข์มากกว่าของพระอนาคามีชั้นของพระสุดาบันก็เช่นเดียวกันจะมีความสุขน้อยกว่าชั้นของพระสกิดาคามีและจะมีความทุกข์มากกว่าชั้นของพระสกิดาคามีแต่ความสุขของ พระอริยเจ้านี้เป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไม่หมดไม่เหมือนกับความสุขที่ของชั้นปุตุชนคือชั้นโลเกียที่มีการเสื่อมและมีการหมดไปได้เช่นถ้าได้ความสุขระดับของพรหมที่เกิดจากการได้ สมาธิได้ฌานความสุขนี้ก็จะอยู่ได้ในระยะหนึ่งพอกําลังของสมาธิของฌานเสื่อมลงไปความสุขของใจในระดับพรมก็จะจางหายไปใจก็จะเลื่อนลงมาสู่ระดับความสุขของชั้นเทวโลกของเทวดา เทวดาก็คือผู้ที่ได้ทําบุญทําทานได้รักษาศีลห้าบุญนี้ก็จะได้ความสุขระดับของเทวดาที่มีความสุขน้อยกว่าความสุขของระดับพรหมหลังจากที่กําลังของบุญที่ได้สร้างให้จิตได้อยู่ในระดับเทวดานี้ เรื่อมหมดไปใจของเทวดาก็จะเลื่อนลงมาสู่ในระดับของมนุษย์ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาสร้างความสุขทางใจกันใหม่ก็จะลอยขึ้นไปก็จะขึ้นไปใหม่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว ความสุขทางใจถ้ามีมากกว่าความทุกข์ทางใจก็จะอยู่ในระดับสวรรค์อยู่ในระดับสุขติถ้าความสุขทางใจมีน้อยกว่าความทุกข์ทางใจใจก็จะอยู่ในระดับอบายนี่คือเรื่องของใจคือกายทิพย์นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้ เพียงแต่ใช้ร่างกายอันนี้เป็นเครื่องมือไว้ในการหาความสุขต่างๆแต่เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเพราะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันร่างกายตายไปใจก็ยังอยู่เหมือนเดิม ถ้าใจยังไม่ได้ไปถึงความสุขชั้นบรล ม, มาสุขใจก็ยังต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อไปหาความสุขใหม่ถ้าได้ความสุขเพียงระดับโลกิยะคือระดับพรหมโลกใจก็ยังจะต้องเสื่อมลงมาเกิดใหม่แล้วก็ตายใหม่แล้วก็กลับไปเกิดใหม่ วนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้ความสุขระดับของพระอริยเจ้าที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีคําสอนของใครมีอยู่ในโลกนี้ไม่มีคําสอนเหมือนใครในโลกนี้ก็คือคําสอนที่ให้เจริญวิปัสสนา ต่อจากการได้สมาธิได้ฌานถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมมีแต่จะมีแต่เจริญเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องเจริญการปฏิบัติขั้นวิปัสสนาภาวนาหรือขั้นปัญญา ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสโลจะไม่มีใครรู้วิธีการปฏิบัติระดับขั้นวิปั ส, สนาขั้นปัญญาเลยก็จะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ความสุขระดับที่ไม่เสื่อมความสุขที่ระดับเต็มเปี่ยมเต็มร้อยและความสุขที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมา เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุวิธีการปฏิบัติขั้นนี้ได้ขั้นนี้เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาคือจะต้องสอนจิตให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่จิตไปหลงยึดติดไปหลงเพ่งให้ความสุข ว่าเป็นความสุขชั่วกราวเป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้อยู่กับจิตไปได้ตลอดจะต้องมีวันที่จะต้องเสื่อมและหมดไปอย่างความสุขที่ได้จากการได้เป็นพรมก็ต้องเสื่อมลงหมดไปแล้วก็เสื่อมลงมาเป็น ความสุขระดับของเทพของเทวดาแล้วจากนั้นก็ต้องเสื่อมลงมาสู่ความสุขของมนุษย์อันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ไม่เสื่อมสั่งให้อยู่เป็นพรหมไปตลอดไม่ได้สั่งให้อยู่เป็นเทพไปตลอดไม่ได้สั่งให้อยู่เป็นมนุษย์ไปตลอดไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่ในโลกนี้เป็นอนิจจังนั่นเองไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นอย่างนี้ใจจะได้ปล่อยวางไม่ไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขแก่ใจใจก็จะได้พบกับความสุข เอกลูปแบบหนึง่งที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจก็คือความว่างความสงบนี่เองที่จะเป็นความสุขที่ถาวรความว่างนี่แหละพระเจ้าจถึงตัดไว้ว่าปรมังสุญยังนิบานังปรมังสุญยังความสุขระดับของพระนิพพานนี้ก็เกิดจากการ มีจิตที่ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดไม่เพ่งพาอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขไม่ยึดไม่ติดกับราบยศสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธภิภะไม่ยึดไม่ติดกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ยึดไม่ติดกับธรรมารมณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในจิตคือปล่อยวางหมดสลัดทิ้งไปหมดจึงทําให้ใจนี่ว่าเต็มร้อยเป็นปรมังสุญญอย่างพอใจว่างเต็มร้อยเป็นปรมังสุญญ์อย่างใจก็จะเป็นปรมังสุขขังเป็นบรมมาสุขขึ้นมาการปฏิบัติธรรมทางพระวุตธศาสนานี้ จึงปฏิบัติเพื่อลดเพื่อละเพื่อตัดเพื่อปล่อยเพื่อวางไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะสัส่งสมสร้างสมสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มีอยู่ไปไเรื่อยๆให้มีเพิ่มมากขึ้นไปไเรื่อยๆมีแต่จะสลัดทิ้งไปปล่อยวางไป เพราะว่าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอนิจจังก็คือเป็นความสุขชั่วคราวอนัตตาก็คือไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของของเราถ้าเราก็อยากให้เขาไม่เสื่อมอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยเขาไป ไม่ต้องการเขาเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปต่างฝ่ายต่างอยู่กันถ้ายังอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันไปแบบไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะว่างจากเขาไปใจว่างใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาจะไม่ทุกข์กับการเจริญกับการเสื่อมของเขาเขาจะเจริญก็สัตแต่ว่ารู้ไป เขาจะเสื่อมก็สักแต่ว่ารู้ไปขอให้สักแต่ว่ารู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นใจก็จะว่างจากเขาไปถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันเช่นร่างกายกับใจขันกับใจยังอยู่ร่วมกันอยู่แต่ถ้าใจรู้ทันว่าขันร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปล่อยวาง จะสักแต่รู้ร่างกายตอนนี้เป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแก่ก็รู้ว่าแก่จะไม่มีความอยากให้ไม่แก่เกิดขึ้นมาในใจเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาจะตายก็จะไม่มีความอยากที่จะให้มันไม่ตายจะรู้สักแต่รู้ไปทุกวินาที ทุกลมหายใจเข้าออกเลยสักขอให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ถามไปทําไมแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันจะเป็นยังไงมันจะมาอย่างไรมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญอยู่ที่ว่าเราปล่อยวางมันได้หรือเปล่าถ้าเรายังถามว่ามันเป็นยังไงแสดงว่า เรายังอยากจะไปแก้มันอยู่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อเราจะรู้เราจะได้ไปแก้มันไม่ให้เกิดมันเสื่อมได้อย่างไรถ้าเรารู้ว่ามันเสื่อมได้อย่างไรเราจะได้ไปแก้ไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ปล่อยเรายังอยากมันอยู่ <c oughs> แล้วของเหล่านี้ก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเป็นอนัตตา ของมันจะเสื่อมจะไปห้ามแม่มันเสื่อมมันห้ามไม่ได้ของมันจะเกิดมันก็ไปห้ามเหมันไม่ได้มันจะเกิดนั้นมันจะเกิดหรือจะเสื่อมจะดับก็ให้รู้ตามความจริงของมันตราบใดถ้ามันไม่ได้เกิดมันไม่ได้ดับด้วยการกระทำของเราก็แล้วกันเช่นอย่าไปดับร่างกายในขณะที่มันยังไม่ดับเนี่ยถ้าเราไปทำให้มันดับนี้ก็ถือว่าไม่ปล่อยมันอีกเหมือนกัน แปลว่าเรายังไปผูกติดกับมันอยู่ยังมีความอยากกับมันอยู่เอใจก็ยังจะไม่ว่างอยู่นั่นเองเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมพตะเป็นอมาพาสไม่สามารถรับใช้ตัณหาของใจได้ไม่สามารถทําตามความอยากของใจได้ก็เลยฆ่ามันเสียเลยฆ่าตัวตายฆ่าร่างกาย อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นพระนิพพานไม่ถือว่าเป็นสักว์แต่ว่ารู้ไม่ถือว่าได้ปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วก็ปล่อยมันสิมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันถ้ายังอยู่ในวิสัยที่จะเลี้ยงดูมันได้ก็เลี้ยงดูมันไปอยู่ในวิสัยที่รักษาได้ก็รักษามันไปก็ทำได้เท่านั้นทำแบบปล่อยวาง คือทาแบบไม่ได้มีความอยากทาแล้วมันจะหายก็หายไม่หายก็ไม่หายไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดถึงจะเรียกว่าใจว่างปรมังสุยั์ต้องสัตว์แต่ว่ารู้เท่านั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทน า, ทขขทนาหรือไม่สุขไม่ทุก ข, ขเวทนา มันจะเป็นแบบไหนก็ให้รู้มันไปอย่างนั้นก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นธรรมารมแบบไหนธรรมารมแบบสุขธรรมารมแบบทุกข์ธรรมารมแบบไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้รู้กับมันไปตามความจริงของมันถ้ายังต้องอยู่ด้วยกันอยู่ถ้ายังมีร่างกายยังมีขันอยู่มันก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่กับใจมันจะหมดไปก็ต่อเมื่อ ไม่มีขันแล้วไม่มีร่างกายแล้วทุกอย่างมันก็จะไม่เป็นปัญหากับใจเพราะใจรู้ทันรู้ด้วยปัญญารู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะให้เกิดความทุกข์ใจก็ต้องสักแต่ว่ารู้รู้ว่าเป็นอนิจจังรู้ว่าเป็นอนัตตาแล้วจะได้ไม่เกิดตัณหาความอยาก ให้มันเป็นนิจจังหรือให้มันเป็นอัตตาขึ้นมานี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสะรู้ไม่มีผู้ใดสามารถรู้ความจริงอันนี้ได้ด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้ได้แต่พอพระองค์ทรงรู้แล้วแล้วทรงนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ ก็ทำให้ผู้ที่ไม่รู้เหล่านี้หลากหลายบุคคลหลากหลายชาติชั้นวันนะเพศสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายได้สามารถสอนใจให้สั์แต่ว่ารู้ได้เพียงแต่สอนสั้นๆคนที่ฉลาดฟังแล้วก็จะเข้าใจทันทีอย่างที่มีชายได้พยายามขอ กาบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในขณะที่ทรงบินถบาทอยู่พระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธไปบอกว่าไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมแต่ชายคนนั้นก็ยังยืนยันขอเพียงสั้นๆก็ยังก็ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดอย่างสั้นๆว่าให้สักแต่ว่ารู้ไม่ว่าจะได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้ยิน ไม่ว่าจะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นคือสักแต่ว่ารู้รู้ว่าเห็นอย่างนั้นรู้ว่าได้ยินอย่างนี้พอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นพอตัดท่านั้นเขาก็เข้าใจใจเขาก็บรรลุก็ขออนุญาตไปเตรียมบริขารเพื่อที่จะบวชเป็นพระภิกษุต่อไปนี่ก็คือ ความสอนที่สรุปที่สั้นๆแต่เป็นความสอนที่ลึกซึ้งที่สามารถทะลุโมหะอวิชชาทำให้ใจนี้สว่างสวัยขึ้นมาทำให้ใจสามารถหลุดพ้นจากอํานาจของโมหะอวิชชาที่หลอกให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดด้วยความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยาก ของตนผู้ที่มีปัญญาที่ฉลาดพอได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจและสามารถทำใจให้หลุดพ้นจากความหลงความไม่รู้ต่างๆได้เพียงแต่ให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นสักแต่ว่ารู้ก็คือให้ใจว่างไม่มีการคิดปรุงแต่ง ไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งปกติใจของปุถุชนนี้ใจของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมขั้นสูงสุดนี้เวลาสัมผัสรับรู้อะไรแล้วมักจะเกิดความอยากตามมา <Instagram. S 1> เห็นอะไรแล้วก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ยินอะไรก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากแล้วก็ต้องดิ้นหลนแก้ ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพอเห็นอะไรไม่ถูกไม่เป็นไปตามความอยากก็ต้องไปแก้สิ่งนั้นให้มันเป็นไปตามความอยากให้ได้นี่เป็นการสร้างปัญหาขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเพียงแต่เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไป มันจะดีมันจะชั่วก็เรื่องของมันเราเป็นผู้ดูก็ให้มันดูไปเฉยเฉยให้รู้ไปเฉยเฉยเท่านั้นมันก็หมดเรื่องแต่เรามันดูเฉยเฉยไม่ได้ดูแล้วมือไม้มันคันขึ้นมามันต้องไปเกาต้องไปแตะพอไปเกาไปแตะมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดดาวขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น พออยากได้ให้มันเป็นอย่างนี้พอทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้สักพักนึงเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างก็ต้องกลับมาทาใหม่เองหรือพอมันเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ชอบมันอยากจะให้มันเป็นไปอีกอย่างก็ต้องกลับมาเปลี่ยนมันอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนยังไงมันก็ยิ่งมันก็ไม่หายคันเปลี่ยนยังไงมันก็ยิ่งคันขึ้นไปเรื่อยๆท่านหลงบอกว่ากาไม่ถูกที่คัน ปุตุชนอย่างพวกเรานี้เก่าไม่ถูกที่ขันกันแทนที่จะเก่าที่ใจเราไปเก่าที่ราบยศสระเสริญไปเก่าที่รูปเสียงกลิ่นลดผฏฐะพะไปเก่าที่ขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจึงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาถ้าเก่าที่ใจจุดเดียวนั้นจบให้ให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้น ให้หยุดความอยากทั้งหลายตัวที่ทำให้มันคันก็คือความอยากนี่เองหยุดความอยากได้แล้วความคันต่างๆมันก็จะหายไปไม่ต้องไปเกาไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาก็เป็นอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเกิดอยู่แล้วเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่ในขณะที่เราอยู่ในขณะนี้แล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว จากโลกนี้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอย่างนี้ขึ้นๆลงๆเกิดแก่เจ็บตายเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมเสื่อมแล้วเจริญเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆบางยุค ก, ก็เป็นยุคที่เจริญนุ่งนวงด้วยคนดีบางยุค ก, ก็เจริญนุ่งนวงรุ่งเรืองด้วยคนชั่อมันเป็นเรื่องของ <c oughs> อนิจจังเรื่องของอนัตตา มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมีเหตุมันให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้พอเหตุที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้มันเสื่อมไปมันก็จะมีเหตุอย่างอื่นทำให้เป็นอย่างอื่นต่อมามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่นิ่งเหตุปัจจัยต่างๆมันไม่นิ่งมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลา ถ้าไปมัวไปปรับไปแก้มันก็จะปวดหัวแล้วก็จะเหนื่อยไปเปล่าๆไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจของเรามีความสุขมีความสบายได้เลยแต่ถ้าเรามาแก้ที่ใจของเราแก้ที่ตัณหาความอยากของเรานี้เพียงตัวเดียวเท่านั้นตัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้มันหมดไปจากใจได้เท่านั้น เวลาเห็นอะไรก็ไม่เกิดกามาตัณหาไม่เกิดภาวะตัณหาไม่เกิดวิภวะตัณหาให้สักแต่วรู้ไปอย่างเดียวมันจะดีขนาดไหนมันก็เรื่องของมันต่อให้ได้มันมาเป็นสมบัติมันก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับทำให้ใจของเราต้องทุกข์มากขึ้นเพราะจะเกิดความอยากมากขึ้นได้อะไรมา ถ้ามันดีก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆพอมันมีปัญหามันจะไม่อยู่ก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้มาเลยก็ไม่มีเรื่องราวที่จะต้องยุ่งกับมันเลยนี่มัามองไม่เห็นประเด็นนี้กันเห็นแต่ว่ามันดีได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเราแต่ไม่เห็นประเด็นที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ห้ามมันไม่ได้ เวลามันจะเสื่อมห้ามันไม่ให้เสื่อมไม่ได้แต่ยังอยากจะให้มันไม่เสื่อมอยู่พรเกิดความอยากไม่มนไม่เสื่อมมันก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักทำใจให้ว่างไม่รู้จักทำใจให้เป็นปรมังสุญญงวิธีที่จะทำใจให้เป็นปรมังสุญญงก็ต้องปฏิบัติวิปัจนาภาวนา ต้องพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะสักแต่ว่าได้สักแต่ว่ารู้ได้ถ้ายังไม่มียังไม่ถ้ายังไม่สามารถที่จะทําให้สักแต่ว่ารู้ได้ด้วยปัญญาก็ต้องมาทําให้มันสักแต่ว่ารู้ด้วยการนั่งสมาธิจเจริญสติไปก่อนเวลาจเจริญสติทําใจให้สงบใจรวมเป็นหนึ่ง เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาใจก็จะสักแต่ว่ารู้ได้อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าแต่เป็นวิธีชั่วกราวจะสักแต่ว่ารู้ได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมามันก็จะเกิดความคิดปรุงแต่งเกิดความอยากตามมาทันทีเวลาที่ไปสัมผัส ร, รับรู้อะไรก็ตามถึงเวลานั้นก็ต้องสอนใจให พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตานะอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยวางเขา entend? แล้วจะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่วุ่นวายใจจะไม่ต้องมาคอยแก้อยู่เรื่อยๆถ้ามีอะไรก็ต้องคอยแก้อยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องแก่คนที่ไม่มีรถยนต์นี้เขาไม่ต้องมาคอยซ่อมรถยนต์ะ เขาอยู่อย่างสบายใจเขาไม่ต้องมาวุ่นวายกับการดูแลรักษารถยนต์คอยเติมน้ำมันให้กับรถยนต์คอยเช็ดคอยล้างให้รถยนต์คอยเอารถยนต์เข้าอู่คอยเปลี่ยนยางมีมีปัญหาสารพัด ม, มาเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมาเวลาที่ได้อะไรมาเพราะมันจะต้องมีการเสื่อมมีการชารุดทรุดโทรมก็ต้องมีการแก้ไขกันไป มันก็มีแต่เรื่องให้ทำไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีรถได้นี่ยิ่งกับสบายเดินไปก็ได้ขึ้นรถเมล์ก็ได้ขึ้นแท็กซี่ก็ได้สบายกว่ามีคนขับรถให้ตลอดเวลานี่แหละคือปัญหาของมนุษย์ที่ไม่รู้จักอนิจจังทุกขงังอนัตตาไม่รู้จักคำว่าสักแต่ว่ารู้ รู้จักแต่ว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เพราะคิดว่าได้มาแล้วมีแล้วจะมีความสุขกันแต่พอได้มาแล้วก็ไม่เคยใช้ปัญญาพิจารณาดูว่ามันดีกว่าตอนที่ไม่ได้หรือเปล่าอันไหนมันดีกว่ากันอันไหนสบายกว่ากันมีกับไม่มีอย่างไหนสบายใจกว่านี่ไม่มองกันตรงนี้ไม่มองกันที่ใจ ก็ใจก็เลยปล่อยให้ใจสร้างปัญหาขึ้นมามาแก้ไม่รู้จักจบจากเส้นปัญหาก็เป็นใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองสร้างแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาของของตนเองแล้วเวทีแก้ปัญหาก็แก้ไม่ถูกวิธีแทนที่จะแก้ให้ปัญหามันหมดไปกลับไปแก้ให้มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกนี่แหละเป็นเพราะว่าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้จัก ความสุขที่ได้จากการสักแต่ว่ารู้ไม่เคยทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิก็เลยไม่เห็นความจริงอันนี้ดังนั้นถ้าอยากจะเห็นความจริงขั้นต้นก็ต้องเข้าสู่สมาธิให้ได้ก่อนเพราะการเข้าสู่สมาธิมันง่ายกว่าการที่จะเข้าด้วยปัญญานั่นเองยกเว้นบุคคลที่มีความฉลาด เป็นคนที่มีปัญญาจริตเป็นคนที่คิดไปในทางปัญญาเป็นก็สามารถที่จะเดึงใจให้เข้าสู่สมาธิให้สักแต่วรู้ได้ด้วยการใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาแต่ถ้าสาหรับบุคคลทั่วไปแล้วนี่ก็ต้องอาศัยการเจริญสติให้ตั้งสติให้จิตตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตลอดเวลา ไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะการคิดปรุงแต่งนี้จะทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมานั่นเองถ้าเกิดความอยากแล้วใจก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ถ้าอยากจะให้ใจสงบนี้ต้องไม่มีความอยากการที่จะไม่มีความอยากก็ต้องไม่คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมา ก, ก็ต้องคิดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นกลางๆเช่นพุโทโธ หรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือดูลมหายใจเข้าออกเวลาที่นั่งอยู่เฉยๆอันนี้จะเป็นตัวที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่สักแต่ว่ารู้พอรู้แล้วว่าการสักแต่ว่ารู้นี่มันแสนจะสบายแสนที่จะมีความสุขพอออกจากสมาธิมาก็พยายามรักษาสักแต่ว่ารู้นี้ไว้ด้วยการ ใช้ปัญญาคอยสอนใจให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะได้ไม่ไปสร้างความอยากให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อตัดความอยากละความอยากป้องกันไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นมาถ้ามีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในหวัวใจแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร มันก็จะสามารถสักแต่ว่ารู้ได้มันก็จะมีแต่พลัมังสุนยังพลัมังสุขขังไปตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พวกเรามาสร้างกันในวันนี้มาสร้างความสุขทางใจสร้างไปตามกำลังตามฐานะตามขั้นของเราถ้าเรายังเข้าสู่ขั้นปัญญาไม่ได้เราก็ต้องเข้าสู่ขั้นสมาธิก่อน ข้าสมาธิยังไม่ได้ก็ต้องฝึกเจริญสติไปก่อนให้ใจนี่มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวไปตลอดถ้ายังสร้างสติไม่ได้ก็ต้องเจริญศีลก่อนปีกวิเวกรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนถ้ายังรักษาศีลแปดไม่ได้ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนถ้ารักษาศีลห้ายังไม่ได้ก็ต้องทาทานก่อน ทำทานเพื่อที่จะได้ทำให้ใจนั้นมีความเมตตา ม, มีความปาถนาดีไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นก็จะทำให้รักษาศีห้าได้รักษาสีห้าได้ก็ขยับขึ้นไปรักษาศีแปดรักษาศีแปดได้ก็ไปปีกวิเวกอยู่วัดได้อยู่สถานที่สงบสงัดห่างไกลจากสิ่งลบกวนใจทั้งหลายก็สามารถเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้ แะเลื่นสติได้ก็จะนั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งได้ให้สักแต่วรู้ได้พอได้สักแต่วรู้แล้วก็ออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยรักษาไม่ให้ใจไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่ได้พบได้เห็นเห็นอะไรก็ให้สักแต่วรู้ไปเพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเปลี่ยนมันไม่ได้ของต่างๆมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ มันมีจริมันมีเสี่ยมันมีเกิดมันมีดับมันมีสุขมันมีทุกข์สลับกันไปจะไปทําให้มันมีแต่ความสุขอย่างเดียวนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดความอยากแล้วสักแต่วารุก็จะหายไปความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเข้ามาแทนที่แต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยมันได้ใจก็จะสักแต่วารุไปตลอด ใจก็จะเป็นปรมังสูญอย่างเป็นปรมังสุขขังเป็นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหาัยตาสาวกทั้งหลายเป็นอย่างนี้ได้ทุกดวงถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้เหมือนกันหมดถ้าท่าเริ่มตั้งแต่ทานศีล ส, สติสมาธิปัญญาผลนั้นก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าเป็น ครูสอนโดยตรงหรือไม่ก็ตามจะมีพระอาหารหันสอนโดยตรงหรือไม่ก็ตามถ้ามีพระธรรมคำสอนมันก็เป็นองค์เป็นตัวแทนกันได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนพระอาหารหันตสาวกได้ถ้าไม่มีถ้าพูดถึงในกรณีที่ไม่มีจริงๆถ้ามีก็ควรจะไปอยู่กับผู้ที่ เ, เป็นพระอาหารหันจริงๆ มีชีวิตยอยู่จริงๆเพราะจะได้รับการสั่งสอนที่ใกล้ชิดและตรงต่อเหตุการณ์ทันต่อเหตุการณ์ถ้าอาศัยหนังสือธรรมะทดีอ่านหรือฟังนี้อาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะมัวไปค้นหาตำราเนี้บางทีไม่รู้ว่าอยู่หน้าไหนถ้ามีครูบามีอาจารย์มีปัญหาไปกราบเรียนท่านปับ๊บท่านก็จะชี้ บอกวิธีแก้ให้ได้เลยดัยงนั้นขอให้พวกเรายึดติดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาปราศจากความทุกข์ ถ้าไม่ศึกษาเราก็จะปฏิบัติแบบไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแทนที่จะเกิดความสุขกลับจะเกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นมายิางของให้พวกเราจงพยายามศึกษากันและปฏิบัติกันให้มากๆเพราะเวลาของพวกเราอันี้มันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบผลขวายเสียแต่วันนี้ ถ้าเราทำไม่ทันกับเวลามันก็จะเสียโอกาสไปได้ถ้าเราเกิดต้องตายไปก่อนที่เราได้ไปถึงขั้นของพระอริยบุคคลเราตายไปเราก็จะไม่ได้รับผลของธรรมระดับโลกียแล้วพอธรรมเหล่านั้นเสื่อมลงไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาตรงจุดนี้ใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ แต่อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ได้ถ้ากลับมาคราวหน้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนก็จะไม่รู้จักวิธีนี้กันก็จะทำไปตามความอยากเหมือนอย่างที่เคยทำมาแล้วก็จะต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลับมาเกิดมาเจอจุดนี้อีกเจอแบบนี้อีก คือได้มาเจอพระพุทธศาสนาและมีคนคอยสอนให้เจริญวิปัสสนาภาวนาให้เจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ทำขั้นสูงสุดได้สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หลังนั้นจุดนี้ขันจุดที่พวกเรายืน อ, อยู่ในขณะนี้นั้นเป็นจุดที่เลิศที่สุดแล้วเป็นโอกาสที่งามที่สุดแล้ว เพราะเป็นโอ๊สเป็นจุดที่เราสามารถที่จะปฏิบัติใจของเราให้เข้าสู่ขั้นปรมังสุขขังได้ให้เข้าสู่ปรมังสุญอย่างได้ถ้าเราไม่ทำโอกาสนี้มันก็จะต้องหมดไปไม่ช้าก็เร็วพอชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นมันต้องมีวันดับไปอย่างแน่นอนและจะดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครไปกำหนดได้ไม่มีใครไปบอกว่า คนแก่ต้องไปก่อนคนหนุ่มคนสาวไปทีหลังมันไม่แน่นอนบางทีคนหนุ่มคนสาวไปก่อนคนแก่ก็มีงนั้นเราต้องคิดว่าเรากับคนแก่อันนี้เหมือนกันอาจจะไปพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะไปก่อนเขาหลังเขาก็ได้หรืออาจจะไปพร้อมกันก็ได้ขอให้พวกเราอย่าประมาทอย่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งรีบ ม, มาทำกิจอันเลิศอันวิเศษนี้ มาสร้างความสุขทางใจมาสร้างประมังสุขขังประมังสุญอย่างเสียแต่บัดนี้อย่าไปเสียดายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เลยเพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียมันอยู่ดีมีอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะมาสร้างประมังสุขขังปรมังสุญอย่างให้กับเอาได้นอกจากการที่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเพงขอ ฝากเรื่องของการมาสร้างความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจิตพิจ า, ารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปิริปุเรนติสากรังเอวเมวะยิโตทินนางเปตาหนังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิป้เมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อะรโสยะาสพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิศานิกยังวุฒาปจายโนยัตตาโรธรมาวาธานติอายุวโนสุขังถะ แล้วต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนถ้ายังไม่มีใครอยากจะถามก็จะให้ตอบปัญหาที่ถามมาผ่านทางบ้านก่อน ที่เะกี้ที่หลวงพ่อเทศอะค่ะว่าจิตสักแต่ว่ารู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าจิตอยู่ในสมาธิตลอดเวลาใช่ไหมจ๊ะอันนั้นเป็นคําำคือคําว่าสมาธิมันกับคำว่าสักแต่ว่ารู้นี่มันไม่เหมือนกันอยู่ในสมาธิก็สักแต่ว่ารู้ได้ออกจากสมาธิก็สักแต่ว่ารู้ได้คือให้รู้เฉยๆเห็นอะไรก็อย่าไปมือคันไม้คันมือขึ้นมาเห็นแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางก็สักแต่ว่ารู้ไป ใครด่าก็สักแต่ว่ารู้ใครชมก็สักแต่ว่ารู้อไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่รับรู้แสดงว่าผู้ชายคนนั้นที่ถามผู้เจ้าก็ต้องเจริญปัญญาแล้วอมีสมาธิแล้วจิตเขาสักแต่ว่ารู้อยู่แล้วเขาเขารู้เป็นอยู่สักแต่ว่ารู้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่รู้ว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องที่จะทําให้เขาไม่ทุกข์กับอะไรอ พระพุเจ้บอกให้ทำอย่างนั้นเขาก็ทำตามได้เลยเขาไม่ต้องเดินปัญญาเลยใช่ไหครับนั่นแหละก็คือปัญญาแล้วคือสักแต่ว่ารู้ให้รู้ว่าสักแต่ว่ารู้่นั่นแหละคือการสร้างความสุขใจที่ถาวรที่ถูกต้องก็คือให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองถ้าสักแต่ว่ารู้แล้วจะไม่มีความทุกข์กับอะไรทั้งนั้นมันไม่สักแต่ว่ารู้มันรู้แล้วมันอยากขึ้นมามันก็เลย ทุกขึ้นมาเห็นกว๋วยเตี๋ยก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้ต้องอยากกินขึ้นมาเ่งี้มันก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องหามากินจนได้เคือให้สักแต่ว่ารู้เล่าไปทำดูเลื่อนไปให้ทางพิธีกรต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะ คำถามแรกจากคุณแม่มตอนนี้มีความทุกข์จากบุคคลที่รักถูกกล่าวหาว่าทำผิดแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำตอนนี้เป็นคดีความจิตใจว้าวุ่นเป็นทุกข์เป็นกังวลมากต้องทำอย่างไรให้จิตใจสงบได้บ้างคะ น, นี่ยบวยสักแต่พอรู้มันก็สงบเลย ไม่ยามสักจะว่ารู้อยากจะไปแก้เขาอยากจะไปห้เขาไม่ว่าเราไม่ด่าเราเขาว่าเราด่าเราก็ปล่อยเขาว่าไปดิให้เห็นวันเป็นอนัตตาก็จบเราไปห้ามเขาไม่ได้เราเป็นอะไรเราก็รู้อยู่แก่ใจของเรามันก็แค่นั้นเขาเล่าเขาว่าก็ว่าไปเขาว่าเราเป็นควายเราเขาจะมาเปลี่ยนเราจากมันเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นควายได้หรือเปล่า ใช่ไหมหัดใจเรามันยังอยากจะให้เขาชมไม่อยากเขาว่านะมันวุ่นวายก็มีเท่านั้นแหละถึงบอกให้สักแต่วารู้ทุกอย่างนะถ้ารู้จักคําว่าสักแต่วารู้มันแก้ปัญหาได้หมดเ น, นี่ยตอนเนี้ยใครมีปัญหาอะไรให้สักแต่วารู้ไปเท่า น, นั้นจบอคําถามต่อไปจากคุณแมรี่แพรลีกรุณาสอนแจ้งถึงสามคำเจ้าค่ะ คำว่าทานบุญและกุศลหมายความว่าอะไรคำว่าทานแปลว่าการให้การแบ่งปันเช่นเรามีรถสองคันเราก็ให้คนอื่นไปสักคันหนึ่งเราใช้คันเดียวก็พอ <laughs> เรียกว่าทานเป็นการให้บุญก็คือผลที่เกิดจากการให้บุญแปลว่าความสุขใจทาแล้วก็เกิดความสุขใจ ก็เรียกว่าเป็นบุญทําทานยังเรียกว่าเป็นบุญอบุญที่บุญนี้มันมีอยู่สิบประการด้วยกันที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ให้บุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลคือละเว้นจากการทําบาปเรียกว่าศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาทําใจให้สงบใจสงบก็มีความสุขใจบุญคือความสุขใจ บุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญเราทำบุญแล้วเราก็แบ่งบุญที่เราได้นี้ไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเราก็จะมีความสุขใจว่าเราได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วงรับไปบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเวลาเห็นคนคนอื่นเขาทาบุญก็แสดงความชื่นชมยินดีเรื่องร่วมทำบุญไปกับเขาเราก็จะเกิดความสุขแต่ถ้าเราเห็นเขาทาบุญแล้วเราไม่เห็นด้วยเรา ยั้งขึ้นมาไม่อยากให้เขาทำก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาง mm. ั้นเวลาใครทำบุญก็อนุโมทนาไป mm. ถ้าอนุโมทนาไม่ได้ก็เฉยเฉยไป mm. ปล่อยไปไม่ใช่เรื่องของเราเราก็จะไม่ได้บุญเท่านั้นเอง mm. ไม่ได้ความสุขใจบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน mm. เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะเป็นคนที่น่ารักอยู่กับใครเขาก็จะยินดี เอ็นดูช่วยเหลือก็จะได้รับความสุขจากบุคคลต่างๆที่อยู่ด้วยบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเราไม่มีเงินทองที่จะช่วยเขาแต่เรามีกำลังเราไปช่วยก็กวาดบ้านถู บ, บ้านซักเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ให้ครับเขาเราก็ได้บุญความสุขใจบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรม เวลาฟังเทศฟังธรรมได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความสุขใจบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเรามีธรรมะเราเอาแบ่งให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาได้ธรรมะของเราแล้วก็คลายความทุกข์ใจเขาได้เราก็เห็นเขามีเห็นเขาได้ปลดเปื้องความทุกข์ได้ความสุขเราก็จะมีความสุขไปกับเขาและบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่ มีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือสักแต่ว่ารู้นี่คือความเห็นที่ถูกต้องขั้นสูงสุดถ้าถึงตรงนี้ได้แล้วก็สบายเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้อันนี้ข้อที่สองบุญความที่สามคือกุศลกุศลนี่เป็นภาษาบาลีมาจากภาษาบาลีที่เ็าเรียกว่ากุศลาน้ท่านแปลว่าความฉลาก็คือปัญญานี้เอง ความรู้ความฉลาดการกระทำอะไรที่เป็นกุศลก็คือการกระทำที่ทำด้วยปัญญาทำด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเช่นการทำบุญนี่ก็เรียกว่ากุศลเพราะทำด้วยปัญญารักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมการกระทำอะไรที่เกิดประโยชน์ให้กับเราไม่เกิดโทษนี่เรียกว่ากุศลเพราะว่าเป็นการกระทาที่เกิดจากความรู้ ความเห็นที่ถูกต้องก็คือปัญญานี่กุศลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนจากผู้ที่รู้เราอยากจะได้ความรู้กุศลทางพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างไในวันนี้เราก็จะได้รับความรู้ไม่เข้าใจเราก็ถามพอถามแล้วเราได้คําตอบเราก็ได้ความรู้เนี่ยตอนนี้คนที่ถามสามข้อนี้ก็จะได้กุศลนะเอ ได้ความชลาได้กุศลาขึ่งมาท่านสอนว่าอย่าไปกุศลาตอนตายให้กุศลาตอนเป็นแเราชาวพุทธนี่มักจะหลงคิดว่าต้องกุศลาตอนตายกันเวลาคนตายนี่นี่มนพระมานั่งสวดกุศลามาสอนคนตายสอนยังไงคนตายมันก็ไม่รู้เรื่องที่พระสวดนี่ความจริงไม่ได้สวดให้คนตายสวดให้คนเป็นคนที่มานั่งคนที่มางานศพนั่นแหละ แต่คนที่มางานศพกลับคิดว่าพระสวดให้คนตายก็เลยไม่สนใจที่จะฟังกันพอพระกุศลาไปญาติโยมก็คุยกันไปถ้าอยากจะได้กุศลก็มาด่าไปงานศพก็ตั้งใจฟังแต่ทีนี้ท่านสวดภาษาที่เราไม่เข้าใจฟังยังไงมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะท่านสวดภาษาบาลีประโยชน์ที่เราจะได้อย่างมากก็คือถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะได้ความสงบ ใจเราก็มีธรรมะมากล่อมใจเหมือนกับมีพุทโธมากล่อมใจถ้าใจเรายึดติดกับเสียงพระสวดไม่ไปคิดไม่ไปคุยกันใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นกุศลที่เกิดจากการาฟังพระสวดแต่จะไม่ได้ปัญญาเพราะไม่เข้าใจความหมายถ้าอยากจะเข้าใจความหมายก็ต้องไปเปิดคาแปล ด, ดู เดี๋ยวนี้วัดบางวัดท่านก็สวดไปแปลไปด้วยเพื่อให้ผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าท่านกำลังสวดอะไรกันคาถามต่อไปจากคุณจักรกิจปกติลูกฟังธรรมของพระอาจารย์มาตลอดเหมือนกินยามากเกินไปลูกขอถามพระอาจารย์ในปัจจุบันนี้มีข่าวเผาทั้งเป็นฆ่าตัดคออยากทราบว่า พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะก็สัแต่ว่ารู้ไปรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วต mm hmm. น, นี้เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอะไรก็เกิดขึ้นได้ mm hmm. เกิดก็เราก็ไปห้ามมันไม่ได้ mm hmm. ก็ปล่อยมันไปให้รักรู้ไว้ mm hmm. ถ้าอยากจะศึกษาก็ดูว่าอันไหนดีเราก็เอามาเป็นตัวอย่างอันไหนที่ไม่ดีเราก็อยากไปทำตาม คำถามต่อไปจากคุณกะนกพรดิฉันมีงานประจำที่ต้องทำทุกวันแต่ต้องการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมโดยประกอบความเพียรเพิ่มขึ้นโดยนอนให้น้อยลงเหลือวันละ 4-6 ชั่วโมงซึ่งดิฉันไม่มีอาการอ่อนเพลียและงูดหงิดกับยิ่งมีความมึกเขิมว่าเราเป็นคนเอาจริงเอาจังคำถามข้อที่หนึ่ง ดิฉันนอนวันละสี่ถึงหกชั่วโมงเพื่อเพิ่มความเพียรในการปฏิบัติธรรมดิฉันทำถูกต้องไหมคะถูกแล้วเพราะปกติพระเจ้าก็ทรงสอนให้พระภิกษุนอนขึ้นแลเพียงสี่ชั่วโมงก็พอแล้วถ้าในช่วงกลางวันถ้าอ่อนเพลียม่วงบ้างก็ให้พักได้ชั่วโมงสองชั่วโมงในตอนกลางวันข้อที่สอง ดิฉันอ่านหนังสือธรรมะที่หลวงตามหาบัวเทศและดิฉันแปลความหมายตามความเข้าใจว่าใจกับาธาตุและขันห้าเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันคือร่างกายแต่ต่างคนต่างอยู่ใจก็ส่วนใจาธาตุและขันห้าก็คือาธาตุและขันห้ า, าธาตุและขันห้าเป็นสิ่งสมมุติดิฉันจึงอยากถามว่า ดิฉันเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะก็ถูกต้องเพียงแต่ว่าคำว่าสมมตินี้อาจจะไม่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะความจริงแล้วก็ธาตุก็คือดินน้ำลมไฟธาตุสี่ที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายส่วนขันนี้มันมีห้าขันด้วยกันขันที่เป็นร่างกายเราเรียกว่ารูปประแขน คือร่างกายนี้ส่วนขันเอกสี่ขันนี้เราเรียกว่านามขันนามขันนี้ก็เป็นอาการของใจออกมาจากใจใจเป็นผู้ใช้ขันให้คิดให้พูดให้ทําอะไรต่างๆแล้วสั่งผ่านไปทางร่างกายถ้าคําว่าสมมติหมายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันนอกจากใจที่ไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ขันเป็นอนนิจังทุกขงังอันนิจังเพราะว่ามันเกิดดับเกิดดับร่างกายเกิดแล้วก็ตายไปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับใหม่ในี้ใเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติก็ใช่แต่ใจนี้เป็นเป็นผู้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ใจยังมาเกี่ยวข้องกับสมมติอยู่จะเรียกว่าใจของปุถุชนเป็นสมมติก็ได้ ส่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพออาระอรหันต์นี้ท่านเรียกว่าเป็นวิมุตต์คือหลุดพ้นจากสมมุติใจของท่านไม่หลงไม่ยึดติดกับรูปประขันไม่รู้ไม่ติดกับนามขันไม่ติดกับท่าสี่ดินน้ำลมฝฟคือไม่ติดกับสมมุติเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามข้อที่สามดิฉันพยายามว่าแผ่นเล็บเป็นสิ่งปฏิกูล โดยพิจารณาจากสีสันฐานและกลิ่นโดยพิจารณาว่าเล็บเป็นสีขาวเหลืองจากผงดองผลไม้น้ำตาลจากการสูบบุหรี่ดำจากการถูกของหนักทับเล็บเขียวจากเชื้อราก็ยังรู้สึกไม่ปฏิกูลส่วนสันฐานก็นึกถึงเล็บที่ตัดออกมาเป็นเศษเป็นเขี้ยว หรือเหมือนเกล็ดปลาแต่ก็ยังไม่รู้สึกปฏิกูลส่วนกลิ่นดิฉันก็นึกไม่ออกว่าเล็บมีกลิ่นเหม็นอย่างไรนอกจากนำไปเผากลิ่นก็เหมือนกลิ่นศพดังนั้นดิฉันจึงอยากให้พระอาจารย์ช่วยสอนและอธิบายวิธีพิจารณาว่าสีสันฐานกลิ่น ของเล็บว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างไรจนรู้สึกถึงความเป็นปฏิกูลของเล็บค่ะถ้าเราไม่มีปัญหากับเล็บเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกให้มันไปมีให้ไปสนใจกับสิ่งที่เราเป็นปัญหาเช่นสามีของเราดีกว่าถ้าเรายังหลงยังรักเขาอยู่ยังคิดว่าเขาสวยเขางามก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นเหมือนซากศพเวลาที่เขาตายไปแล้วนี่เรายังรักเขาอยู่หรือเปล่า เขาตายแล้วเราจะเก็บศพเข้าไว้ในบ้านหรือเปล่าหรือเราจะรีบส่งไปที่วัดให้คิดพิจารณาในสิ่งที่มันเป็นเป็นปัญหากับเราคือเรายังมีความทุกข์ความวิตกความกังวลความลากความห่วงใยความเสียดายความอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้ดีกว่าส่วนอันเล็บนี้มันไม่มีสาระประเด็นอะไรสำคัญมากนะักก็ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงก็แล้วกัน มันย่มันสั้นแล้วก็ยาวตัดมันทิ้งไปมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่คำถามต่อไปจากคุณพิมพ์ีิพาการนั่งสมาธิจนนิ่งนิ่งในที่นี้จะมีอาการอย่างไรเจ้าคะต้องนั่งดูสิทำไมอธิบายได้ไงเหมือนกินอิ่มแล้วมันมีอาการอย่างไงต้องอธิบายได้ไหมเวลากินข้าวอิ่มแล้วอิ่มอย่างไรต้องไปกินดิ้กกินแล้วอิ่มแล้วก็จะรู้เอง คำถามต่อไปจากคุณชัยพฤกษ์การภาวนาระหว่างวันควรทำอย่างไรครับขอคำแนะนำด้วยครับเช่นเวลาทำงานส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานเกือบทั้งวันถ้าฟังธรรมะไปด้วยควรไม่ควรใช่ไหมครับเวลาทำงานก็ควรจะทำงานอย่างเดียวเวลาฟังธรรมก็ควรจะฟังธรรมอย่างเดียว เวลานั่งสมาธิก็ควรจะนั่งอย่างเดียวแล้วแต่โอกาสเวลาเหตุการณ์ว่ามันจะเหมาะจะทำงานจะทาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไปถ้าควรจะทำงานก็นั่งใจก็จดจ่ออยู่การงานไปอย่าไปฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่ได้ทำงานมีเวลาว่างอยากจะฟังเทศก็เปิดฟังไปใจก็จดจ่ออยู่กับการฟัง หรือถ้าไม่อยากจะฟังอยากจะนั่งสมาธิก็นั่งหลับตาแล้วก็ตั้งสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะได้ความสงบคาถามต่อไปจากคุณกูไม่รู้ <c oughs> ผมมีข้อสงสัยว่าหากโกนผมน้ากและบวชในวันเดียวกันและวันนั้นตรงกับวันอังคารถือว่าผิด หรือมีข้อห้ามอะไรไหมครับไม่มีแหละวันมันก็แค่เป็นสมมติเนี่ยวันอังคารวันจันทร์มันก็เหมือนกันถ้าเราไม่ตั้งมันเราก็จะไม่รู้ว่าวันนี้เป็นอะไรวันอะไรเท่านั้นเองแต่วันทุกวันมันเหมือนกันหมดเราไปหลงสมมติแล้วก็ไปปรงแต่งกันว่าวันจันทร์เป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีม่วงอะไรก็ว่าไปาจริงมันเหมือนกันทุกวันมันไม่มีส่วนกับชีวิตของเรามากนะ ส่วนที่มีชีวิตมีมีส่วนกับชีวิตของเรามากก็คือการกระทาของเราที่เราเรียกว่ากรรมการกระทาทางกายวาจาใจนี่แหละเป็นตัวที่มีผลกับใจผลกับตัวเรามากที่สุดส่วนวันเวลามันก็มีผลบ้างเช่นวันนี้ฝนตกวันพรุ่งนี้หนาวมันก็มีส่วนกระทบบ้างแต่มันไม่มากเหมือนกับการกระทาของเราดังนั้นขอให้เราดูการกระทาของเราว่ามันเป็นการกระทาที่ เป็นบุญหรือเป็นบาปก็พอถ้าเป็นบุญวันไหนก็ทำไปเลยถ้าเป็นบาวันไหนก็อย่าไปทำไม่มีวันดีสำหรับการทำบาปการทำบุญนี้ก็เป็นมีเป็นวันดีทุกวันทำเมื่อไหร่ก็ได้บุญเมื่อนั้นคําถามต่อไปจากคุณสุรเทพท่านที่สร้างพระศรีอริยเมตรัยนั้นจะได้บุญหรือไม่แล้วควรร่วมสร้างหรือไม่ ขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับผมไม่ค่อยเข้าใจครับเพอเห็นหลายวัดเชิญชวนให้สร้างกราบนมัสการก็ในสมัยพระพุทธการก็มีพระอยู่รูปหนึ่งมีความเคารพพระพุทธเจ้ามากก็ไปปั้นพระพุทธรูปขึ้นมารูปหนึ่งแล้วนำมาถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ว่าว่าเธออย่ามาทําพระพุทธรูปให้กับเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา เราไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปนะถ้าถ้าเธออยากจะเข้าถึงเราเธอต้องเข้าผ่านทางการปฏิบัติธรรมเอผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่แต่การที่สร้างพระพุทธรูปนี้ก็เป็นการเหมือนกับเป็นเขียนเขียนป้ายบอกทางเป็นเหมือนบิลบอร์ดที่เราเห็นตามท้องถนนเวลาที่เขาอยากจะโฆษณาสินค้าอะไรสักอย่างเขาก็ต้องมีป้ายมีภาพ มีตัวอักษรบอกว่าเขาขายอะไรจันนพระพุทธรูปนี้ก็เป็นเหมือนกับการโฆษณาพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองคือให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระศาสดาของพวกเราเป็นที่พึ่งของพวกเราพวกเราควรจะให้ความเคารพนับถือเชื่อฟังในคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าความหมายก็มีอยู่เพียงเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดถ้ามีพระธรรมคาสอน ถ้าให้เลือกระหว่างการสร้างพระพุทธรูปกับสร้างพระธรรมคําสอนก็ควรจะสร้างพระธรรมคําสอนเพราะำำราพระพุทธรูปนี้ไม่สามารถสอนธรรมะให้กับเราได้เราเพียงแต่เห็นแล้วก็ได้แต่กราบไหว้ระลึกถึงท่านเท่า น, นั้นเองแต่ถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ได้ศึกษาโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเลยคําถามต่อไปจากคุณกระโนกศรีข้อที่หนึ่ง ถ้าเราเห็นคนที่ทำร้ายเราและเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีชอบทำร้ายผู้อื่นกำลังจะจมน้ำตายเราควรเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่เพราะเรารู้ดีว่าถ้าเราช่วยเขาเขาอาจจะกลับมาทำร้ายเราได้ก็เหมือนกับเราไปช่วยช่วยเสือและช่วยงูอย่างนี้เราต้องตัดสินใจคิดดูให้รอบคอบก่อน ว, ว่าเราจะช่วยเขาหรือไม่ช่วยเขา ถ้าเราช่วยเขาได้แล้วเรามีมาต ร, าาตรการป้องกันเราได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปก็ได้ถ้าช่วยเหลือเขาได้เราก็จะได้บุญได้ความเมตตาได้จิตใจที่สูงสงถึงแม้จะเป็นศัตรูถึงแม้เราจะเป็นผู้ที่ทําร้ายเราเราก็ให้อภัยเขาได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ไม่ไม่ไปทําร้ายอพระเทวทัศน์ผู้ที่จะพยายามทําร้ายพระ แต่ว่าพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เวลาที่เขาถูกแผ่นดินสูงท่านก็ต้องปล่อยวางแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังช่วยเขาได้แลวสามารถป้องกันไม่ให้เขามาทำร้ายเราได้เราก็ช่วยเขาไปก็ได้แต่เราก็อาจจะเสี่ยงต่อเวลาที่เวลาเขาหายแล้วเขาอาจจะกลับมาทาร้ายเราใหม่ก็ได้เพงี้ก็ถ้าไม่ช่วยก็ไม่เสียหายอะไร คือไม่ช่วยก็ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาเอแต่เราก็จะไม่ได้บุญถ้าเราช่วยเขาเราได้บุญแล้วเวลาเขาหายแล้วเขากลับมาฆ่าเราแล้วเราปล่อยให้เขาฆ่าเราได้เรายิ่งได้บุญใหญ่เพราะเราสัตว์แต่ว่ารู้ได้อย่างนี้ก็ก็จะได้ไปถึงพระนิพพานเลยเขาถามต่อข้อที่สองว่าแล้วถ้าไม่ช่วยจะบาปไหมคะ ไม่บาปไงไม่ได้ช่วยเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้บุญไม่ได้บาปข้อที่สามหรือเราเห็นคนกําลังจะจมน้ําเป็นคนที่เราไม่รู้จักแต่เราว่ายน้ําไม่เป็นหรือว่ายน้ําไม่แข็งเราจรึงตัดสินใจไม่เข้าไปช่วยเพราะถ้าเราโดดลงไปช่วยเราอาจจะตายพร้อมกับเขาก็เป็นได้เราจึงเห็นเขาจมลงไป เราจะบาปไหมคะไม่บาปก็สักแต่ว่ารู้ไงสัแต่ว่ารู้ไปคำถามข้อที่สี่ควรมีหลักอย่างไรในการช่วยเหลือผู้อื่นเราควรช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังที่เราพอทำได้ใช่ไหมคือใช่หรือไม่คะและไม่ควรให้ตัวเราเดือดร้อนไปด้วยเรามีหลักการวางอุเบกขาในการช่วยเหลือคนอย่างไร ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะเป็นพ่อแม่หรือลูกของเราหรือคนที่เรารักจึงจะถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาค่ะคือการช่วยเหลือคนนี้ท่านก็แบ่งไว้สองระดับด้วยกันระดับปุถุชนคนธรรมดาและระดับพระโพธิสัตว์เนี่ถ้าเราอยากจะเป็นพระโพธิสัตว์นี้บางทีเราเดือดร้อนเราก็ยินดีเรายอมเสียสละ อย่างพระเวชสันดอนนี่ท่านก็ยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทั้งๆ ท, ที่ตัวท่านอาจจะเดือดร้อนนะแต่ท่านเล็งไปถึงผลที่ไกลกว่าในชาตินี้ท่านเล็งผลถึงชาติต่อไปเพราะท่านต้องการที่จะสร้างบารมีเพื่อให้ท่านได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายท่านก็ยอมเสียทุกอย่างเพราะท่านก็เห็นว่าเวลาท่านตายไปก็ต้องเสียมันอยู่ดี ทังนั้นท่านก็เลยไม่ค่อยจะรู้สึกเสียดายหรือวิตกกับการต้องเดือดร้อนกับการช่วยเหลือผูอ้อันนี้ระดับจิตของพระพุทธของพระโพธิสัตว์ท่านจะคิดในแบบนี้แต่บระดับปุถุชนอย่างพวกเรานี้เราก็จะคิดแค่ในระยะสั้นๆคือภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเราก็คิดว่าเราก็ยังอยากอยู่ต่อไปอยากมีความสุขไม่อยากทุกข์ไม่อยากวุ่นวายเดือดร้อน เพะนเราจะช่วยใครเราก็จะช่วยได้ในเพียงระดับที่เราไม่เดือดร้อนเท่านั้นก็ยังดีดีกว่าไม่ช่วยเลยดีกว่าไปเบียดเบียนไปทำร้ายผู้อื่นคำถามต่อไปจากคุณภาสกรข้อที่หนึ่งจำเป็นหรือไม่ครับที่การพิจารณากายด้วยการไล่มาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังรวมถึงอวัยวะภายใน จะต้องทําหลังจากที่จิตสงบแล้วเพราะในบางครั้งจิตเริ่มสงบในระดับอุปจารสมาธิก็ได้ลองนําการพิจารณากายมาพิจารณาดูจิตก็สงบเกิดการยอมรับความจริงได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ลึกซึ้งเหมือนผลที่หลังจากที่จิตรวมลงไปสู่ระดับอัปปนาสมาธิ ได้ไงนคําถามอะไรคําถามของเขาถามว่าจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องอพิจารณา ก, การพ<ป>ิจารณาร่างกายนี้เป็นขั้นวิปัสนาไงเป็นการสอนใจให้เห็นให้รู้ความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงการรวมตัวของอวัยวะต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ไม่มีใจใจไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนี้ เวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจสอนจะให้ใจให้รู้ความจริงอันนี้ใจจะได้สักแต่ว่ารู้ปล่อยวางได้เวลาร่างกายเป็นอะไรเวลาผมงอกก็ปล่อยวางได้เวลาเล็บมันหนิกมันงอกก็ปล่อยวางได้เวลาร่างกายมันเสียมันพิการไปก็ปล่อยวางได้คือไม่ไปทุกข์กับมันนี่คือวิปัสสนา เราต้องการศึกษาความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเสื่อมมันไม่สวยงามเวลานี้มันอาจจะสวยงามแต่ต่อไปเวลามันแก่ลงไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายไปนี้มันจะไม่สวยงามคือศึกษาสอนใจให้เห็นหลายรูปแบบของร่างกายเรามักจะเห็นเพียงด้านเดียวเห็นส่วนที่ ด้านสวยงามเราก็เลยหลงยึดติดไปคิดว่าร่างกายจะต้องสวยงามไปตลอดเวลาร่างกายเปลี่ยนไปไม่สวยไม่งามเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันเวลามันเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้เฉยเฉยได้แต่ว่ารู้ได้ไม่วุ่นวายไม่ไปเดือดร้อนกับมันได้การจะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานนี้ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิมาก่อน เม่ถ้าจิตไม่มีสมาธินี่มันจะยังมีกิเลสตันหาออกมาลุออกล้อออกมารบกวนจะไม่อยากจะให้เราพิจารณาทางด้านด้านความไม่สวยไม่งามทางด้านความแก่ความเจ็บความตายกิเลสมันชอบพาให้เราคิดถึงการเสริมสวยเครื่องเสริมสวยเสริมความงามอาต่ออายุให้ยืนยาวนานหาอยู่หายาหาวิธีอะไรต่างๆมาคอยอา่า ประยุงร่างกายให้สวยให้งามไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงได้ก็จะถูกความหลงดึงให้เราไปวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์มาเสียใจเมื่อไม่สามารถที่จะรักษามันได้แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วจิตจะมีะมีกำลังที่จะกดกิเลสตัณหาไว้ไม่ให้ออกมาดึงใจไปคิดในทางความสวยความงาม ความยั่งยืนของร่างกายเราก็สามารถที่จะเดึงให้มาคิดถึงความไม่สวยไม่งามความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ยั่งยืนของร่างกายได้พอเราได้ความรู้อย่างนี้สอนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ความจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์ใจของเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนจะสักแต่ว่ารู้ได้เฉยๆได้ปล่อยวางได้ คำถามข้อที่สองผลที่ได้จากการพิจารณากายคือภาพนิมิตของอวัยวะที่เราได้พิจารณาให้เห็นเป็นการถูกต้องหรือไม่ครับภาพที่เห็นนี่ยังเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองผลที่เราต้องการจากการพิจารณากายก็เพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายให้เราสักแต่ว่ารู้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรเราก็สักแต่ว่ารู้อันนั้นหละเป็นผลที่แท้จริง การที่พิจารณาจนเห็นภาพปรากฏขึ้นมาในใจนี้ก็เป็นเพียง เ, เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาที่เราจะเอาไปใช้ในเวลาที่เราเห็นร่างกายในเวลาที่เราไปหลงอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ไม่ีม่กลพิการหรือไม่ไม่น่าเกลียดน่าไม่น่าดูเราก็ต้องเอาภาพความจริงของร่างกายมาให้ดูว่าต่อไปมันต้องน่าเกลียดมันต้องไม่น่าดู เวลาร่างกายเราตายแล้วลองพิจารณาดูตายสามวันเป็นอย่างไรตายห้าวันเป็นอย่างไรตายเจ็ดวันเป็นอย่างไรสมัยก่อนเขาเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าเขาไม่ได้ไปเผาไม่ได้ไปฝังเนี่ยเขาให้ไปพิจารณาไปเยี่ยมป่าช้ากันเพื่อให้เห็นอนาคตของร่างกายของเราว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไม่รุ่มหลงกับความสวยความงามมากจนเกินไปถ้ายังรักษาให้มันสวยงามได้ก็รักษาไป แต่ก็ต้องยอมรับว่าในที่สุดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องไม่สวยขึ้นอื่นขึ้นพองเน่าเปื่อยอันนี้เป็นการสอนใจเพื่อจะได้ปล่อยวางร่างกายเวลาเกิดเหตุเกิดความจริงปรากฏขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับมันนั่นเองข้อที่สามภาพที่เกิดจากนิมิตข้างต้น จำเป็นหรือไม่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงที่ขณะกําลังภาวนาอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลาถัดไปเพราะบางครั้งภาพนิมิต ด, ดังกล่าวกลับแสดงให้เห็นอีกถัดไปสองถึงสามวันหลังจากที่นั่งภาวนาโดยที่จิตยังไม่สงบในระดับอัปปนาสมาธิ คือภาพเหล่านี้ที่เราสร้างขึ้นมานี้เพื่อให้มันมาสอนใจเราเท่านั้นเองเมื่อเราได้มันแล้วเราควรที่จะรักษาเก็บรักษามันไว้เพราะมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องมือไว้ต่อสู้กับโมหะอาวิชากิเลสตัณหาเวลาที่เกิดความอยากสวยอยากงามขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นได้หรือเป็นได้ก็ตามแต่ก็ต้องเห็นว่าไม่ได้สุดมันก็จะต้องเป็นไปไม่ได้ ในที่สุดมันก็ต้องไม่สวยไม่งามถ้าเรามีภาพของความไม่สวยไม่งามฝังอยู่ในใจเราก็จะได้ไม่รุ่มหลงกับร่างกายเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายมากจนเกินไปคำถามต่อไปจากคุณดวงใจหนูไปรู้จากผู้หญิงคนหนึ่งกับแม่ชีอีกคนหนึ่งทั้งสองเป็นเพื่อนกันผู้หญิงชอบเข้าวัดทาบุญ แม่ชีแกบวชมาเกือบสามสิบปีหนูรู้สึกผูกพันกับสองคนนี้มากทั้งที่รู้จักกันไม่นานบางคืนก็ฝันถึงความสนิทสนมผูกพันอย่างนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคะหรืออะไรก็ อ, อย่าไปสนใจมันะไรก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณปราโมด ทำยังไงครับสำหรับผู้ที่ต้องนั่งทำสมาธิให้อยู่นานๆก็ต้องฝึกสติให้มากๆถ้ามีสติมากๆก็จะควบคุมความคิดปรุงแต่งได้ควบคุมความอยากได้ถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีความอยากก็จะนั่งอยู่เฉยๆได้นั่งอยู่ได้ในสมาธิได้นานแต่ถ้ามีควบคุมไม่ได้มีความคิดปรุงแต่งมีความอยาก นั่งมันนั่งไม่นานเพราะเกิดความอยากขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามขออุบายวางใจเนื่องจากมีภาระที่ต้องเลี้ยงแม่ซึ่งเป็นคนแก่เจ้าอารมณ์เวลาถูกแม่ดุดา่ามักคุมสติไม่อยู่ค่ะก็ให้คิดว่าเรากำลังโปริบัตรพระอรหันต์ก็แล้วกันหมดคำถามจากทางบ้านคะ่ะ แม่ของเราพ่อแม่ของเราพระเจ้าบอกว่าเป็นพระรหมเป็นพระาอาลันของลูกๆเราต้องคิดถึงเวลาที่แม่เลี้ยงเราบ้างเราปวดท้องฉี่ตอนกลางคืนกี่กี่โมงกี่ยามแล้วก็ร้องออกมารั่นปลุกพ่อแม่ที่กําลังนอนหลับให้ตื่นขึ้นมาพาเราไปฉี่พาไปเราไปขับถ่ายนี่ถึงเวลาที่พ่อแม่เขาเป็นแบบและเป็นแบบเราตอนที่เป็นเด็กๆแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ตอบแทนบุญคุณกันไป ท่านเลี้ยงเราได้เราก็ต้องเลี้ยงท่านได้หมดแล้วค่ะหลวงพ่อมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ